สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star t e w e Podcast ตอนที่1นะครับ <S <S ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะบอกก่อนนะฮะว่ารายการ Star t w a e y Podcast เนี่ยจะแยกตัวออกมาต่างหากนะครับจากช่อง Star j w e l e y Official บนยูทูนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับบล็อกด้วยเพราะว่า การที่เราอยากจะทาการที่ผมอยากจะทำพอดแคสต์ขึ้นมาเนี่ยเหตุ <c oughs> ผลเดียวเลยครับคือผมอยากจะสื่อสารกับแฟนๆชาว Start Your Way ให้มากยิ่งขึ้นการทำคลิปวิดีโอบน y o u t u เนี่ยนะครับใช้เวลานะคลิปหนึ่งคลิปเนี่ย ความยาวแค่5นาทีแต่ว่าใช้เวลาทําจริงๆจังนะครับ12ชั่วโมงต่อหนึคลิปโหมั น, ม, นมันนานเกินไปฮะให้ทําทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่ไหวส่วนเรื่องของการเขียนบล็อกเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับฮะว่า1บทความเนี่ยโอ้โหกว่าจะเขียนได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย 2-3 ชั่วโมงต่อหนึบทความนะครับเพราะว่าการเขียนบล็อกมันไม่ใช่เรื่องของภาษาเขียนอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของศิละปะด้วยนะฮะดังนั้นผมคิดว่าโอ้โหทําคลิป YouTube ก็ใช้เวลานานเหลือเกินเขียนบล็อกก็ใช้เวลานานเหลือเกิน ทำพอดแคสต์ดีกว่าพูดเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะฮะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตัดต่อเยอะแยะอะไรมากมายด้วยสายเหตุที่ผมทำพอดแคสต์อีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือในโลกยุคโซเชียลมันทุกอย่างมันเร็วไปหมดคุณลองเปิด Facebook ในช่วงไม่กี่วันนี้ก็ได้นะฮะมันมีแต่เรื่องราวดราม่าที่ดึงความสนใจของคุณออกไปจากการสร้างเส้นทางในตัวเองผมคิดว่าเรื่องราวแบบนั้นเนี่ยถ้าติดตามเยอะโอเคครับคุณจะเป็นคนทันโลกทันเหตุการณ์แต่ว่าติดตามเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะทําให้คุณเควะออกจากวิถีแ่งงกาารรสร้ เส้นทางนายตัวเองครับวิธีแห่งการสร้างเส้นทางในตัวเองคืออะไรการติดตามข่าวสารมากมายเนี่ยนะครับก็คือคุณเอาสมาธิส่วนหนึ่งไปยุ่งกับเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของคุณเลยคุณอาจจะติดตามเอ่อเพจที่อัปเดตข่าวสารเร็วๆอยากจะรู้ว่าอ e ีเปรี้ยวถึงไหนแล้วไม่เม็ดเนถึงไหนแล้วล่าสุดก็มีเอ่อดราม่าของคอรสนะครับเข้มทิศภาวนาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณอาจจะอยากเรียนรู้ อยาจะทุ่มเทเวลาเอาสมองส่วนหนึ่งไปคิดแต่เชื่อผมเถอะครับว่าติดตามไปแล้วมันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์อะไรให้กับชีวิตคุณเลย ดังนั้นผมก็จะเอาข่าวสารนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายตัวเองข่าวสารที่จะทำให้คุณเนี่ยคงเส้นคงวาอยู่กับเวของการสร้างเส้นทางในตัวเองมาพูดในรูปแบบของพอดแคสต์นะฮะซึ่งบทความทั้งหมดที่ผมจะยกมาพูดในที่นี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบทความแล้วส่วนหนึ่งะฮะก็ยังไม่ได้รับอ่ายังไม่ได้ขออนุญาตนะครับแต่คิดว่าการที่เราให้เครดิตเขาแล้วก็ดึงทราฟฟิกของซตารเยเวเนี่ยไปดูเว็บไซต์ของเขาบ้างมันก็จะกลายเป็นประโยชน์ต่อตั ว, ตวเขาด้วยดังนั้นเขาก็น่าจะอนุญาตมัังครบ แต่บทความในนี้ได้รับอ น, นุญาตหมดแล้วนะโอเคเรามาเริ่มที่บทความแรกกันเลยดีกว่านะครับเป็นบทความที่ผมเนี่ยได้อ่านหลังจากที่ตกงานใหม่ๆแล้วก็มีไฟกระพือขึ้นมาป๊บอย่างกับลูกเสืกอกอกองไฟเลยครับก็คือข่าวของไมเคิลฮันน่านะครับผู้ซึ่งพิกวิกฤตเป็นโอกาสโดนเชิญออกจากงานนะครับในวัย47ปีแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าของกิจการฟูกขายฟูกนะฮะขายที่นอนแล้วเขาก็พูดเลยว่าชีวิตนี้เขาไม่เสียใจเลยที่ตกงาน บทความนี้นะครับถูกเผยแพร่ครั้งแรกนะครับในเว็บไซต์ CEO. อขอโทษดีครับ CEO blog. co นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมเนี่ยติดตามในตอนแรกๆที่ตกงานเลยเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนายตัวเองระดับโลกโดยเฉพาะเลยซึ่งเขียนโดยพี่พรนะฮะมีพี่พรเป็นเจ้าของนะครับผมอ่ะ เรื่องราวของไมเคิลนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกรวมถึงพี่พอแล้วก็ตัวผมด้วยนะฮะไมเคิลเนี่ยเป็นชาวพอดแลนด์นะครับอเมริกาเป็นชายวัยกลางคนนะฮะประสบการณ์การทํางานกับองค์กรใหญ่ในอเมริกาเนี่ยโอ้โหมากมายเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยนะครับ เ, เป็นทั้งผู้เนินรายการเป็นทั้งผู้ดําเนินรายการข่าวนะฮะและตําแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือทีมโฆษณานะครับเป็นทีมขายที่เป็นหัวหน้าคุ้มน้องอีก40กว่าชีวิตโอ้แม่ ประสบการณ์และพอรอฟิโอของเขานี่สุดยอดจริงๆอาชีพของเขานะครับนับว่ามั่นคงมากนะฮะแต่ว่ามีอยู่วันนึ่งในวัย47ปีผู้บริหารเนี่ยนะครับก็เรียกตาไมเคิลเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าคุณถูกไล่ออกจากงานแล้ว เราขอเชิญคุณออกซึ่งการเชิญออกของฝรั่งกับของไทยผมคิดว่าไม่เหมือนกันนะครับของประเทศไทยเนี่ยคือทางนายจ้าจะต้องแจ้งลูกจ้างก่อนเป็นเวลาประมาณหลายเดือนอะเพื่อให้เตรียมตัวแต่ของฝรั่งเนี่ยนะครับก็คือเอากล่องยื่นให้แล้วก็เก็บของออกไปวันนั้นได้เลยนะครับก็ไมเคิลก็เก็บของกลับบ้านแบบงงๆอาแล้วแล้วชีวิตเราจะทาอย่างไรต่อไปดีมึนครับหมืน ส, <ots> ส like ิ่งแรกนะครับที่ไมเคิลทำหลังตกงานนะครับก็คือออกไปหางานใหม่ฮะแน่นอนครับตอนที่ผมตกงานครั้งแรกผมก็ออกไปหางานใหม่เหมือนกันนะฮะก็มีหลายงานที่ให้เงินเดือนดีกว่าที่เดิมนะครับแต่ว่าผมก็ปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นแม่ผมป่วยอยู่อยากใช้เวลาอยู่กับแม่มากกว่านะครับไมเคิลเนี่ยออกไปหางานใหม่นะฮะและเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยครับที่จะรีบเขียนจดหมายและโทรศัพท์ไปหาบริษัทต่างๆไปหาผู้คนต่างๆที่เขาเคยรู้จักในแวดวงที่เกี่ยวข้องนะฮะแน่นอนครับมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากนะฮะที่คน อายุ47ปีประสบการณ์การทำงานโชคโชนแต่กลับไม่สามารถหางานใหม่ได้เลยด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวก็คือเขาแก่เกินไปและเงินเดือนของเขาก็สูงเกินไปนั่นเองนะฮะไมเคิลเนี่ยดิ้นรนติดต่อผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทำงานแข่งกับค่าใช้ใจ่ายที่เบียดเสียดเข้ามาในชีวิตทุกขณะจนกระทั่งนะครับเขาได้รู้จักชายคนนึงนะครับชื่อสตีฟและอีกคนนึงนะครับชื่อเดบบี้ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกเขาทําธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะครับยุอีกรัฐนึงแล้วก็บอกกับไมเคิลว่ามียุบมียี่ยปวัวนะฮะแห่งหนึ่งนะครับเขาต้องการจะปล่อยที่นอนเต็มจํานวนคันรถ10บล้อแบบ ถ, ถูกๆูกกเพื่อล้างสต็อกในราคา9000นเหรียญหรือประมาณ2อง0 0นเจ็ดบาทครับผมซึ่งไมเคิลฟังแล้วก็อืมเอาดีไม่เอาดีวะเอาดีแล้วไม่เอาดีวะแต่สุดท้ายเขาคิดว่าไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเงิน 90,00 เหรียญนี้ก็ เอาไปซื้อที่นอนนะฮะแล้วก็เอาไปประกาศขายในตามเว็บบอร์ดประกาศขายสินค้าต่างๆนะครับ เ, เป็นพวกแบบแนว ThaiSecondHand.com p a n พัน m ิ r k e t c o m ในบ้านเราอย่างเงี้ยภายในเดือนเดียวนะครับพวกเขาเนี่ขายฟูกได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยหนึ่งคันรถบรรทุก ถูกขายออกไปหมดเลยและไมเคิลก็มีกําไรพอมีกำํำไรเสร็จปุ๊บปิ้งไอเดียครับโอ้โหไมเคิลคิดว่าแน่นอนล่ะกูตกงานครั้งนี้พระเจ้าได้ประทานฟูกมาให้กูอย่างแน่นอนก็เลยเกิดความหวังนะฮะแล้วก็ลองมาจับธุรกิจขายฟูกดูโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องฟูกแล้วก็ไม่เคยทําธุรกิจซื้อขายมาก่อนเลยในชีวิตแม้แต่เมียของเขาก็ยังบอกเลยนะฮะว่ามึงบ้าไปแล้วไมเคิลหยุดเลยมึงบ้าไปแล้วนะฮะ แต่ด้วยความที่ว่าไมเคิลคิดว่าไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับเขาก็เลยก่อกำเนิดธุรกิจแ a สเท a ดลอชขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าผมน่าจะออกแอคเซนต์ไม่ถูกอย่างแน่นอนคุณลองไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google เอาเองนะครับ ไมเคิลเนี่ยก็ออกค้นหาสถานที่เปิดร้านขายฟูกครับเขาติดต่อขอเช่าพื้นที่เต้นรดนะครับที่ปิดกิจการไปแล้วเพราะว่าเต็นรดนั้นเป็นอาคารชั้นเดียวแล้วก็มีพื้นที่กว้านะครับเหมาะแก่การประยุกต์ใช้ในการขายฟูกอย่างแน่นอนเขาติดต่อเจรจาหาแหล่งกับผู้ค้าขายฟูกรายใหญ่ๆนะฮะเขาเตรียมงานไปตามสัญชตาตญาณโดยที่ไม่มีแผนไม่ได้มีแผนธุรกิจอะไรขั้นเทพเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาบ้านอายุ12ปี สมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่เขามีนะครับไปจำหนองขอเงินกู้ธนาคารมาลงทุนเปิดกิจการโอ้โหคชาร์ดคอร์เลยนะฮะและขอย้ำอีกครั้งเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีเรื่องของไม่มีความรู้ในเรื่องของฟูกที่นอนหรือแม้แต่การบริหารกิจการค้าปีกใดๆมาก่อนคือเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะฮะในวันเปิดร้าน เขาก็ไม่มีไอเดียเขาว่าเขาจะทําการตลาดยังไงเขาก็เลยจ้างคนมาอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ตัดต่อลง YouTube ขึ้นป้ายหน้าร้านนะครับลงโฆษณาในเว็บไซต์แล้วก็หลุยแม่งเลยนะฮะเวลาผ่านไป1เดือนนะฮะสเดือน3เดือนยอดขายก็อืม้มไปแบบอิเลี่ยเฉยแครับคือไม่ได้วื้อวาอะไรทั้งสิ้นเลยไมเคิลนะครับเริ่มเครียดกับธุรกิจของเขานะครับว่าเอ๊ะเราผิดพลาดที่ตรงไหนวะเราทําอะไรผิดหรือเปล่า เขาก็เลยจ้างนะฮะที่ปรึกษาด้านการขายที่นอนมาพูดคุยนะฮะแล้วเขาก็จึงรู้ว่าเมื่อเขาอยากจะขายอะไรเขาก็ต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นก่อนเขาก็เริ่มศึกษานะครับรายละเอียดทางเทคนิคของฟูกนอนโครงสร้างของฟูกคุณภาพของฟูกเพื่อให้สามารถอธิบายได้แล้วก็ขายเป็นนะฮะจากนั้นเขาก็คิดแคมเปญที่มันเจ๋งมากๆก็คือใครก็ตามที่สั่งนะครับฟูกกับเขาเนี่ย เขาจะเอารถจักรยานนะฮะที่ดัดแปลงให้มันสามารถแบกฟูกไว้ด้านหลังได้เนี่ยปั่นไปส่งแล้วก็ติดชื่อป้ายร้านนะครับไว้ที่ท้ายของจักรยานด้วยคุณสามารถเข้าไปดูรูปนะฮะได้ที่ coblock.co นะครับซึ่งกลายเป็นว่าโอ้โหพอทำอย่างนี้ปุ๊บ ประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นก็เฮ้ยนี่มันร้านขายฟูกอะไรวะประหลาดมากทุกคนนะครับไปหยิบโทรศัพท์มือถือหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาถ่ายแล้วก็แชร์แชร์แชร์จนกลายเป็นกระแสท็อปออฟเดอะทาวน์นะครับในโซเชียลมีเดียอย่างแรงนะฮะทำให้ร้านของไมเคิลเนี่ยดังแล้วก็มีคนเนี่ยรู้จักกันไปทั่วนะฮะในหนังสือเอ่อวันทันเดสสตาร์ทอนะครับก็เขียนเอาไว้ว่าไมเคิลเนี่ยใช้นโยบายที่สุดชี้สำหรับคนที่รักจักรยานอีกด้วยนะฮะก็คือเขาเนี่ยจะ ลดราคาค่าที่ส่งหรือว่าส่งให้ฟรีถ้าลูกค้าปั่นจักรยานมาซื้อสินค้าที่ร้านเขาโอ้โหเจ๋งมากเพราะขาวลือต่างๆเนี่ยนะครับมันแพร่สะพัดออกไปผู้คนจากมากมายสารทินครับเขาก็แห่กันไปที่ร้านของไมเคิลไปดูไปเยี่ยมชมนะฮะและภายใน6เดือนนะครับของการเปิดร้านครอบครัวของไมเคิลก็เริ่มมีกำลงาง ก, การขายฟูกแบบก้าวกระโดดเติบโตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับ ชีวิตในวันนี้ของไมเคิลนะครับก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่ามีความสุขมากไมเคิลบอกเลยนะครับว่าจากวันแรกที่โดนไล่ออกจากงานเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าในชีวิตนี้ต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้และตอนนี้เขาก็ไม่คิดอยากจะกลับไปใส่สูตรผูกไท้ายเท่ๆอีกเลยเขาใส่ชุดนักกีฬาหมวกแกป๊ปแล้วก็ปั่นจักรยานส่งฟูกจากผู้บริหารมาสู่เจ้าของกิจการที่ต้องลงมือทํางานแบบคนใช้แรงงานขนฟูกโอ้เห น, นื่อยปวดหลังแต่โคตรมีความสุขนะฮะ ทุกวันนี้นะครับธุรกิจของไมเคิลกลายเป็นธุรกิจขายฟูกสมบูรณ์แบบกับสไตล์การขายที่ไม่ฮาร์เซลเลยมีแต่คนแบบอยากจะมาที่ร้านนี้เพราะอยากจะสัมผัสประสบการณ์สุดจี้ที่ไมเคิลได้สร้างไว้ให้นะครับอ่านแล้วก็รู้สึกแบบฮึกเหิมเนาะฟังแล้วก็รู้สึกฮนะึกงเหิมเนาะแล้วไมเคิลก็ กระจายงานนะครับด้วยการที่จ้างคนหลากหลายอาชีพเนี่ยมาช่วยปั่นจักรยานส่งของเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวของตัวเองเนี่ยไปตื่นคนอื่นด้วยว่าเฮ้ยคุณทํางานประจําคุณอย่าประมาทกับชีวิตนะคุณต้องเรียนรู้วิธีการสร้างธุรกิจไว้คุณต้องเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถหาเงินทางอื่นได้นอกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยนะครับเพราะว่าไมเคิลอายุส7ตกงานนะฮะแล้วก็หา ง, งานทําไม่ได้ครับเงินเดือนสูงเกินไปอายุเยอะเกินไปนะฮะ อ่ะโอเคนี่ก็เป็นข่าวแรกนะครับของไมเคิลนะครับที่ตกงานแล้วก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะแล้วก็สามารถสร้างเส้นทางในตเองจนประสบความสำเร็จและกลายเป็น To อปออฟเดอะทระดับโลกได้โอ้เจ๋งจริงๆอ่ะข่าวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่นะครับในวิตทาร o t aro. com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผมเองปัจจุบันนี้นผมไม่ได้ทําแล้วนะฮะและผมก็มารีโพสตอีกครั้งหนึ่งใน Star g จิโอเนะครับก็คือ11คําสอนจากชายที่วางแผนชีวิตผิดพลาด คือผู้เขียนบทความนี้นะครับเขาเป็ น, ปนแฟนคลับข อ, ออของวิทาโร่นะฮะซึ่งตอนนั้นผมเนี่ยทำอาชีพเป็นหมอดูไพ่ทาโร่อยู่เป็นไพ่ทาโร่สายจิตวิทยาคือพี่คนนี้นะครับเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอ่านวิทาโร่ที่พูดถึงเรื่องราวขการเป็นนายตัวเองนะครับแล้วอิน อินเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเขาก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้กับแฟนๆชาววิตาโรเนี่ยได้ฟังบ้างก็เลยเขียนบทความนี้ขึ้นมานะครับและมันก็ได้รับการแชร์หลายร้อยถึงแต่ถึงพันหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับลองมาฟังดูเลยน ะ, ะับว่าประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตนะครับมา30กว่าปีเนี่ย11ข้อมีอะไรบ้างครับอ่ามาข้อที่1 น, นะครับ ผมเคยคิดว่าผมเนี่ยอยากจะวางแผนชีวิตนะฮะแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปบวชตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีครอบครัวแต่ผลก็คือพอมีคนเข้ามาในชีวิตทำให้ผมหลงลืมเป้าหมายที่จะบวชแล้วใช้ชีวิตสงบสงบที่วัดป่าอยู่กับธรรมชาติทุกวันนี้ทุกอย่างย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วครับข้อ2 การมีลูกคนแรกเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแต่ถ้าคุณไม่ได้วางแผนสําหรับลูกคนที่2เอาไว้ก็อย่าเพิ่งรีบมีครับเพราะว่าถทะเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วคุณยังดูแลให้เวลาเขาไม่ได้ให้ความสุขเขาไม่ได้การมีลูกคนท it, right ี่2ก็จะทําให้คุณทําหน้าที่ได้คุ้ยกว่าเดิมครับข้อ 3. ผมเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวกับหุ้นส่วนได้กำไรครั้งหนึ่งกว่า0 0 0 0ึบาทผมบอกภรรยาให้ลาออกจากงานมาเพื่อเลี้ยงลูกและเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่ของผู้นำครอบครัวที่ดีได้แต่ดันลืมไปเสน็ทครับว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบผมกับหุ้นส่วนนะครับตกลงกันไม่ได้จึงทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวไปจากเงินสะพัดกลายเป็นเงินฝืดนะครับผมต้องปากกัดนตีน้ยทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเพื่อหาเลี้ยงภรรยาและลูกที่ไม่มีรายได้ทั้งคู่ทำให้ค่าใช้จ่่่าาาาายยยเเเมือทีบบบกกกัััรรด้้้นนแตตงวฟห ข้อที่3นะครับเอ่ขอขอโทษทีฮะข้อที่4นะฮะ ร, รถที่ครอบครัวของเราซื้อเนี่ยราคาเกือบ1ล้านบาทหืึ่งล้านบาท และเป็นการตัดสินใจที่สร้างรายจ่ายแพงเกินไปครับสาเหตุที่ผมซื้อรถราคาแพงเพราะคิดง่ายๆว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกสองคนมีภรรยามีผมด้วยดังนั้นรถครอบครัวจึงน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดเอาข้อจริงแล้วนะครับเราแทบจะไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยการเป็นปครอบครัวเลยเพราะว่าทุกคนต้องทํางานแทบไม่ได้เจอกันเลยครับในแต่ละเดือนปัจจุบันเนี่ยผมต้องนั่งรถเมย์ไปทํางานและเอารถคันนั้นให้ภรรยาใช้ครับขอ้อที่5 การที่ผมทํางานมา10ปีนะครับจึงได้เป็นหัวหน้างานและมีลูกน้องลาออกไปแล้วประมาณ5คนผมเนี่ยเคยรู้สึกผิดนะครับกับตนเองว่าที่ลูกน้องลาออกก็เพราะว่าเราไม่ดีหรือว่าพราะเงินเดือนกันแน่นะและพยายามค้นหาสาเหตุว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาลาออกแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะผมอย่างแน่นอนครับความรู้สึกผิดทําลายความสุขที่ดีที่สุดเลยชีวิตผมเป็นอย่างนั้นข้อที่ 6. การที่ไม่ออกกําลังกายไม่ดูแลร่างกายและมีความเครียดจากการทํางานหนักเป็น10ปี มันทำให้ผมรู้เลยว่าร่างกายมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับมันไม่สบายบ่อยมากปวดร่างกายแบบรักษาไม่หายบ่อยมากๆผมคิดว่าทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือภาชนะที่บรรจุชีวิตนี่แหละครับคมมากฮนะ 7. รู้สึกเสียดายครับที่ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวที่ต่างจังหวัดมา10กว่าปีผมทำงานอยู่กทมและพ่อผมเนี่ยก็เสียไปแล้วเมื่อประมาณสกว่าปีก่อน แม่ต้องผ่าตัดแล้วสองรอบพราป่วยเป็นเนื้องอกปัจจุบันแม่ก็ยังรับจ้างทํางานทั่วไปเป็นวันๆครับผมรู้สึกว่าผมยังทําหน้าที่ของลูกได้ไม่มีพอไม่เต็มที่ผมยังไม่สามารถพลิกชีวิตทําอะไรให้มันสุดๆสดเสียทีหนึ่งเลยข้อที่8รู้สึกแย่กับตัวเองครับที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวคือแม่อยู่ต่างจังหวัดลูกก็ให้แม่ยายเลี้ยงแฟนก็ทํางานอยู่อีกที่หนึ่งส่วนผมก็อยู่อีกที่หนึ่งนะฮะข้อที่9 ผมเคยสร้างนี้นะครับตอนซื้อรถคันที่1ของผมเนี่ยเนื่องจากเอาบัตรเครดิต3ใบไปรูดดาวรถตอนนั้นคิดเองว่าตนเองเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคงผ่อนทั้งรถทั้งบ้านทั้งบัตรเครดิตได้แต่เป็นความคิดที่ผิดมหันครับเนื่องจากว่าผมต้องเจอการหมุนเงินที่แบบหนักมากแทบไม่ทันการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ําทําให้ผมต้องโดนปรับและเสียดอกเบี้ยแพงมากถึง 28% ต่อปีแม่เายี่ต่อปี และผลของมันก็คือตอนนี้ผมโดนอายัดเงินเดือนไปถึง 30% เป็นเวลา2ปีกว่าจะหักจ่ายนี้ก้อนนี้หมด2ปี 30% กับดอกเบีย้ย2ี่สิบแปอโคตรโหดเลยครับข้อสิบ ผมเคยคิดว่าการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่น่าอายครับแต่ว่าพอมาอ่านชีวิตของคนอื่นเนี่ยเขาก็เคยล้มละลายหรือเป็นหนี้มาก่อนกันทั้งนั้นเช่นคุณตันอิชิตันก็เคยติดหนี้ถึง400ล้านบาทหลายท่านก็โดนเป็นบุคคลล้มละลายครับมีนักธุรกิจหลายๆคนก็เป็นหนี้มากมายแต่พวกเขาก็ลุกขึ้นมาได้ การเป็นหนี้ไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวครับคนอื่นเขาก็เป็นการเลือกและการวางแผนแก้ไขหนี้สินอย่างตรงไปตรงมาต่างหากเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและต้องรีบลงมือทําอย่างจริงจังและข้อ11ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะฮะหลังจากชีวิตผ่านเลยไปวันแล้ววันเล่าผมเสียดายสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่ทําลงไปโอ้ขมมากโอเค สิเเรื่องนี้นะครับเป็นสิเเรื่องที่รุ่นพี่นะฮะในการใช้ชีวิตเขาฝากเตือนรุ่นน้องมาคุณอย่าให้ประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผ่านเข้าหูคุณไปแล้วเสียเปล่าอย่างเด็ดขาดนะฮะมาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับของ Star u a y Podcast นะฮะตอนแรกก็คือเป็นเรื่องของคุณวิน เรียววารินก็คือคุณอาวินเรียววารินนะครับนักเขียนรางวัลซีไรที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเขียนมากมายแล้วก็เป็นนายตัวเองสายนักเขียนที่ผมมั่นใจครับว่ารวยโคตรๆอย่างแน่นอนนะฮะน่าจะเป็นหลัก10ล้านร้อล้านเลยนะครับอาวินนะฮะเขียนบทความหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าภาพลวงตาขององค์กร น, นะครับเป็นบทความที่ได้รับการแชร์ในโลกโซเชียลโอ้โหเป็นต้องเรียกว่าเป็นร้อยเป็นพันเลยนะฮะบทความนี้จะเขียนว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับ นายเชี่ยวชาญแจ้งเจ้านายว่าจะขอลาออกจากงานที่ทำมา1ิปีบริษัทใหม่ให้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงกว่าเจ้านายบอกอย่าไปเลยได้โปรดคุณมีคุณค่าต่อบริษัทคุณเป็นทรัพยากรที่มีค่าของพวกเราถ้าคุณไปบริษัทจะล้มแน่ๆอยู่ต่อก็แล้วกันเดี๋ยวผมให้เงินเดือนขึ้น p r e a s e p r e a s e p e a s e นายเชี่ยวชาญอยู่ต่ออีก2ปีเจ้านายก็เรียกนายเชี่ยวชาญไปพบและแจ้งว่าบริษัทจะเลิกจ้างเขา ทันใดนั้นนายเชี่ยวชันพบว่าเขาไม่ได้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับบริษัทนี้อีกต่อไปเขาถูกแทนที่ได้ ความจริงก็คือนายเชี่ยวชาญไม่ได้งโง่ลงหรือขี้เกียจขึ้นเขายังคงเก่งเหมือนเดิมแต่เกมเปลี่ยนไปแล้วครับมีปัจจัยมากมายที่เกี่ยวข้องบางทีเงินเดือนของเขาอาจจะสูงเกินไปบางทีโลกแท็์ของเขาอาจจะไม่ขยายตามยุคบางทีภาษาอังกฤษที่เขารู้อาจจะไม่พอแล้วบางทีประธานบริษัทคนใหม่แค่ไม่ชอบหน้าเขาและเมื่อถึงเวลาตัดสินใจขององค์กรบริษัทแท็ทั้งหมดจะถือประโยชน์ขององค์กรหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็นที่ตั้งหลายคนทำงานอยู่ที่เดิมตลอดชีวิต บริษัทอื่นมาล่าตัวไปทํางานด้วยก็ไม่ยอมไปเพราะว่าจงรักพักดีต่อองค์กรอย่างมั่นคงผมรู้จักคนที่จงรักพักดีต่อองค์กรไม่ย้ายไปที่อื่นทั้งๆที่ได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าแต่เมื่อถึงจุดจุดหเช่นวัยเริ่มอ่อนล้าความคิดความอ่านเริ่มอ่อนแรงความจงรักพักดีก็ไม่สามารถทําให้เขารักษาตำแหน่งงานได้เพราะแม้ความจงรักพักดีต่อองค์กรจะเป็นข้อดีแต่เมื่อถึงจุดตัดสินใจบริษัทไม่ได้ดูที่ความจงรักพักดีเป็นหลัก ถึงทำงานมานานหลายปีก็อย่ามีอีโกโ้เก่งแค่ไหนก็ถูกไล่ออกได้ครับอย่าคิดว่าตนเองสุดยอดไม่มีใครแทนเราได้มีตัวอย่างมากมายนับไม่ถ้วนนะครับคนเก่งและทรัพยากรมีค่าถูกแทนที่ได้เสมอหากคุณเป็นคนนะครับที่ต้องการขององค์กรเวลาไปลาออกเจ้าน่าจะพูดว่าบริษัทขาดคุณไม่ได้ล่มแน่ทั้งนี้เพราะเขาขี้เกียจหาคนใหม่ครับแต่หากจําเป็นก็หาได้เสมอไม่เชื่อคุณก็ลองตายดูครับรับรองว่าเขาหาคนใหม่มาจนได้เพราะธุรกิจต้องดําเนินต่อไป แม้ในระดับของผู้บริหารและผู้นําองค์กรไม่มีใครในโลกที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าจนปลดออกไม่ได้บริษัทหาคนใหม่มาแทนได้เสมอผู้นําคนไหนที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจสุดยอดอาจจะประเมินตัวเองสูงไปในโลกธุรกิจมันไม่มีเทวดาหลักครองพุทธศาสนานะครับสอนเรื่องใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทแต่หลายคนเนี่ยเมื่ออยู่ที่สูงนานๆสมองมักจะขาดออกซิเจนครับเห็นภาพลวงตาเป็นภาพจริง มนุษย์เงินเดือนพึงคิดเสมอนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถถูกขับออกจากสํานักได้ทุกเมื่อผู้ที่อยากอยู่จนกเกษียณนะครับควรจะสร้างอํานาจต่อรองถ้าเราเก่งมีวิสัยทัศน์และหาเงินเข้าบริษัทได้ก็ยังสามารถดํารงตําแหน่งทรัพยากรมีค่าขององค์กรต่อไปพึงวิเคราะห์และประเมินตัวเองเป็นระยะครับควรรู้ว่าตัวเองยือนอยู่จุดตรงไหนคุณภาพและคุณสมบัติของตนเองเป็นอย่างไรยังใช้งานได้ดีหรือไม่ต้องอัปเกรดแล้วหรือยังอย่ารอเบื้องบนเรียกไปบอกคุณว่า คุณเป็นทรัพยากรที่มีค่าของเราแต่การรู้เขารู้เรานะครับจะทําให้เราพบจุดแข็งของตัวเองและมันจะกลายเป็นอํานาจต่อรองโดยที่เราไม่ต้องพูดสักคําเดียวและที่สำคัญที่สุดในชีวิตการทํางานควรรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่ต่อเมื่อไหร่ควรลาออกบางครั้งแม้ในเวลาที่กําลังมั่นคงที่สุดก็ควรไปมองที่เป้าหมายแล้วก้าวเดินไปหาเป้าหมายนั้นโดยที่ไม่วกแวก ค, ครับปรับแผนและจังหวะช้าเร็วตามความเหมาะสมแต่อย่าให้เป้าหมายหลุดออกจากสายตาเด็ดขาดวินเลียววาริน เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ Star Your Way Podcast ตอนแรกถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้คุณฟีดแบ็มาหน่อยนะครับว่าคุณฟังจบหรือเปล่ามีอะไรที่อยากจะให้ผมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไหมแต่มีบางเรื่องนะครับที่ผมพยายามปรับปรุงแล้วครับมันไม่ได้จริงก็คือเรื่องของวิธีการออกเสียงครับซอโซชอช้างสอเสือผมมีปัญหากับการออกเสียงคําพวกนี้มากคือไม่สามารถออกเสียงให้มันชัดถ้อยชัดคําได้เลยต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆนะครับจะพยายามฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถออกเสียงได้ชัดขึ้น ท่านผู้ฟังจะได้ไม่เหนื่อยในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยซ้ำแล้วซ้แล้วนะฮะโอเคขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะฮะและตอนนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะว่าฟีดแบคเป็นอย่างไรผมอยากจะรู้มากเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงแก้ไขางานชมได้ด่าได้นะฮะและติดตามชม Star t UBE Podcast ตอนที่2ในครั้งหน้าครับผม